ลำดับต่อไปเราทั้งหลายตั้งใจปฏิบัติจิตภาวนาเราทราบอยู่แล้วว่าการภาวนาเป็นสิ่งจิตสำคัญสําหรับเราทั้งหลายเราพูดต้องการความสุขและต้องการความเจริดการภาวนาเพื่อนํำจิต ใจของเราเข้าสู่ธรรมะปฏิบัติธรรมะเอาธรรมะเป็นที่พึ่งทางใจใจถ้าหากว่าไม่มีธรรมะเป็นที่ที่พึ่งแล้วใจจะต้องเปลิวไปตามอารมณ์ต่างๆาเหมือนกับนุ่นที่ไม่มีอะไรยึดไว้ ถูกลมพัดแล้วก็เรยวไปตามลมไม่เลือกพิดเลือกทางแล้วแต่ลมจะพาไปไม่เป็นตัวของตัวเองจิตใจก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องอาศัยธรรมะเป็นเครื่องยึดธรรมะข้อหนึ่ง ที่พระพุทธเจ้าทรงจัดไว้การกระทาจิตให้ตรงจะเรียกว่าทิฏฐุ ก, กรรมคือทำจิตของเราให้ตรงเพียงเท่านี้แหละท่านจัดเป็นกุศลใหม่เป็นบุญเป็นกุศ ล, ลสำเร็จเป็นผลให้เกิดความสุขความเจริญ การทำจิตของเราให้ตรงนั้นเอาอะไรเป็นหลักคือตรงต่อธรรมอันเป็นเหตุให้นำมาซึ่งความสงบและความสุขนั่นเองเรียกว่าตรงถ้าหากเราไม่ยึดหลักธรรมแล้วไม่ทราบว่าตรงไปที่ไหนที่ไปที่ไหนมันก็ตรงไปทางนั้น คิดไปทางไหนมันก็ตรงไปทางนั้นคำว่าตรงนี้้องมีกฎเกณฑ์ในเป็นเครื่องหมายให้แว่นจากสิ่งที่ไม่ตรงสิ่งที่ลำเอียงที่เรียกว่าอากติสิ่งที่ทำให้จิตไม่ตรงนั้นมันมีอยู่เรียกว่าฉันท า, ากติมีอกติเพราะความรัก เพราะความรักเนี่ยจะทำให้จิตใจของเราไม่ตรงได้ไม่อักติได้เกิดทุจริต ด, ด, ด้วยกายด้วยวาจาเพราะรัก เ, เพราะนับถือกันเช่นรักตัวเรากลัวตายก็าสามารถทีจ่จะทำทุจริตทำอะไรต่างๆมีความลอบขึ้นมา อยากได้คือมากลัวอดกลัวอยากกลัวให้หัวปอยต่างๆนี่เพราะฉะนั้นความรักถ้าเราไม่ระลึกถึงธรรมแล้วอาจจะทำให้จิตของเรามีอก ต, ติลำเอียงไปในทางรัก เ, เขาชวนไปในทางที่ไม่ดีก็เพราะความรักความนับถือก็จาเป็นจะต้องทำตาม กลัวเขาจะไม่รักกลัวเขาจะไม่ชอบกลัวเขาจะไม่นับถือเพราะฉะนั้นความรักนี่เป็นส่วนหนึ่งประพุทธเจ้าให้เราทั้งหลายพิจารณาให้เกิดปัญญาขึ้นมาว่าความรักนึ่มีทั้งคุณทั้งโทษถ้ารักไม่เป็นเกิดอกติขึ้นมาอาจจะทำทุจข์ิตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจได้ เพราะความรักแต่ความรักที่ประกอบไปด้วยปัญญารู้จักเหตุผลก็ทําให้เกิดประโยชน์ได้เช่นเดียวกันเพราะแต่และอย่างละอย่างนั้นอยู่กับเรามีปัญญาและไม่มีปัญญาเท่านั้นเพราะฉะนั้นการอบรมภาวนาเพื่อให้จิตฉลาดจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากถึงแม้ว่ารักก็รักด้วยความฉลาดหร่นด้วยความออดึง ชักจูนคนใจรักนับถืออยากให้เขาได้ดีได้ดีได้ดไดประพฤติคุณงามความดีถ้าปัญญา ม, มันเห็นชอบแล้วจะได้ดึงชักชวนกันไปในทางที่ดี เ, เช่นรักลูกทางลูกเข้ามาประพฤติปฏิบัติสร้างคุณงามความดีก็สามารถคนใจนับถือกันดึงเข้าวัดเข้าวัดได้ไม่น้อยเหมือนกันนั่นถ้าดึงไปในทางดีก็มีประโยชน์ เพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ทําให้เราเกิดอกติเพราะความรักคนส่วนใหญ่ก็เพราะไม่ค่อยจะมีปัญญาในทางธรรมถ้าเราอบรมปัญญาในทางธรรมแล้วสิ่งที่รักเหล่านั้นก็รักด้วยจิตเมตตาด้วยจิตสงสารด้วยจิตปรารถนาจะให้เกิดความสุขทั้งตนและบุคคลผู้อื่นมีแนวโน้มไปในทางกุศล ในทางความโปร่งใสสะอาดบริสุทธิ์ตลอดถึงไปในทางที่สงบ น, นี่เพราะฉะนั้นความรักอย่าคิดเห็นว่าเป็นส่วนดีในฝ่ายเดียวต้องดูจิตใจของเราแต่จิตใจเป็นอัตติน้อมไป ร, รักด้วยความหลงไม่ฉลาดแล้วจะดึงไปในทางที่เป็นอักติ ทำจิตของเราให้ตรงไม่ได้เรื่องอาทิตย์ถูกชุกกรรมไม่ได้นี่เป็นส่วนหนึ่งที่จะทํำลายจิตของเราไม่ให้ตรงเที่ยงตรงอยู่ในธรรมความโกรธก็เป็นส่วนหนึ่งที่ ท, ที่ให้จิตของเราไม่ตั้งอยู่ในธรรมมั่นอยู่ในธรรมแน่วแน่หรือเที่ยงตรงอยู่ตรงอยู่ในธรรมเพราะความโกรธ ความโกรธเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมเผดเผาดวงจิตใจของตนเองในเศร้าหมองไม่ค่อยรู้จักไม่ขาดการไตรตรองพินิจพิจารณาให้ฟุ่งไปแรงด้วยอำนาจแห่งความโกรธเพราะฉะนั้นความโกรธนี้ก็เป็นไผ่เป็นพุกเป็นไัย ทำลายความเที่ยงตรงตรงทำลายความการตั้งอยู่ในธรรมไม่ได้ทําให้เกิดอกติขึ้นมาความกโกรธนี่เพราะไปรักส่วนหนึ่งไปชังส่วนหนึ่งนั่นเองเป็นคู่กับความรักทําให้รักแล้วมันก็กโกรธสิ่งที่เราไม่ชอบแล้วมันก็โกรธแต่รู้ว่ามัเป็นสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์ ต, ต่อความชอบ บางทีเขาพูดดีๆชวน ด, ดีๆหาว่าเขาเย อ, อย่ยหยันแต่ว่าต่างๆว่าไปชดว่าต่างๆเทจริงเขาก็พูดดีท้าใจของเราไม่พอใจถ้าเกิดความโกรธนะเห็นแต่เขายิ้มใส่ก็นึนกว่าเขาเอ่ยใช่ตัวเองโกรธขึ้นมาก็มีเรียกว่าอัตติเพราะความโกรธแต่ถ้าหากว่าเราเป็นคนฉลาด มีปัญญาดีแล้วสิ่งเหล่านี้เราก็ใช้ได้เช่นแล้วโกรธให้ตัวเราเองอย่ามันโง่มันขี้เกียจเขาตั้งใจพยายามเร่งความเพียงขึ้นมาทำไมเราจึงไม่ทันเขาทำไมเราจึ ง, งโง่กว่าเขาเขาทาได้ทำไมเราทำไม่ได้เขาพ้นทุกได้ทำไมเราไม่พ้นทุกเือเคยได้ความดีแล้วมันเสื่อม ชามเสื่อมแล้วก็ใช้อำนาจอันนี้มาคู่เข็นตัวของเราเองไม่บาปท่านว่าได้ผลประโยชน์นเพราะความเพียนเครื่องแผกเผากิเลสท่านว่าความโกรธเปรียบเหมือนไฟถ้าหากเราไม่รู้จักใช้ก็เผาตัวเองถ้าเรารู้จักใช้ก็เผาที่ราชัด ทำลายสิ่งจิดขวางให้เราได้ความสุขความเจริญจากที่ที่เราเผาแล้วเราก็ปลูกสิ่งปลูกฝังสิ่งที่มีประโยชน์ถ้าเราทั้งหลายใช้ความโกรธและกลับตัวของเราเองนึกโกรธกับข้าสึกคือกิเลสที่มีอยู่ในตัวของเราเองแล้วพยายามเผากิเลสเหล่านั้นเพียนเผาเพื่อให้นิ่ไปมันก็ได้ประโยชน์เนี่ย เรียวกับทัาโป้ความเพียนเผาอาตาปิ่งซัมปิจานโนสติมาในเพียนแผลเผากิเลสทีนี้เมื่อกิเลสมันอยู่ในตัวเราเผาตรงไหนล่ะทีนี้เมื่อกิเลสได้อยู่คนอื่นเผาตรงไหนละ่ะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเอพระองค์เมื่อกิเลสอยู่ในบุคคลใดในบุคคลอื่นแล้วเอเราทําอย่างไร เราก็ปล่อยวางให้เป็นของคนนั้นเผาในตัวเขาถ้าเราไม่สามารถทจะช่วยได้อย่าไปเกี่ยวข้องเหมือนกับคนผานพระพุทธเจ้าไมา่คบคนผานเพราะอะไรคนผานเนี่ยกิเลสเป็นไฟกองหนึ่งจะโกรธให้เราเมื่อไหร่ก็ได้ทำลายเราเมื่อไรก็ได้ไรรไไดคนผานนี่ไม่มีสัจจะไม่มีความจริงจะลบตะลา ต่างต่างเพราะฉะนั่นท่านจึงเราก็มาไม่ให้คบคนประเภทนั้นเราก็ไม่ไม่ใช่ว่าไปโกรธให้เขาแต่เราใช่พลังคือเราไม่คบคนผ่าและไม่คบทรรมที่ผ่าแม่สิ่งที่ไม่ดีที่มีอยู่ในตัวเราเราก็ไม่คบกับมันธรรมดาคนแล้วปรารถนาดีทุกผู้คน แต่สิ่งที่ไม่ดีก็คือกิเลสที่เป็นธาตุไม่ดีเป็นเป็นธาตุที่ตรงกันข้ามกับกุศลคืออกุศล น, น, นั่นเองมีอยู่ในบุคคลผู้ใดแล้วมันก็ย่อมแผดเผาทุกทุกคนไม่เลือกแต่ถ้าหากว่าบุคคลรู้จักแล้วว่ากิเลสนี้เป็นธรรมภายนอก สลัดออกจากตัวของเราเราก็เผาได้ถ้าเรารู้ว่าเป็นสิ่งภายนอกถ้าเราอุปทานยึดถือแล้วเผาไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ปัญญาพินิจพิจรารณาเอาตัวเราออกจากอารมณ์เหล่านั้นแล้วก็พยายามทำเพียงเผากิเลสเหล่านั้นจะไม่ถูกเราเลยกิเลสก็จะร่วงลอยสุดลงลอยตามนันดัก เรื่องความโกรธก็เป็นเหตุทำให้จิตมีอากติเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติต้องระวังในเรื่องความโกรธความเทบาบัตอาคาต่างๆโทษากติโมหกติความหลงหลงไม่พินิจพิจารณาให้รอบคอบเชื่อง่ายไม่มีปัญญา เราไม่รู้ความจริงถูกเขาในบุคคลที่เราชอบประเดีถือว่าเป็นอาจารย์ของเราถือว่าบุคคลเขานั่นเขานับถือมากมีคนนับถือมากก็หลงเชื่อไปตามเขาหลงนับถือไปตามเขาหลงทําไปตามเขาผลที่สุดว่าจะรู้ของจริงขึ้นมาก็สายเสียแล้วนี่เพราะความหลงความไหลมัวเมา ด้วยอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นความเชื่อถือสำคัญมากเราต้องพิดพิจรารณาตรวจตราด้วยเหตุด้วยผลว่าสิ่ง น, นี้เป็นกุศล ส, สิ่ง น, นี้เป็นอกุศลเมื่อบุคคลกระทำสิ่งที่เป็นอกุศลอย่อมให้เกิดโทษเกิดทุกข์ขึ้นมาไม่มีประโยชน์ ่นี้เป็นกุศลใครก็ตามเมื่อกระทำปฏิบัติแนละ้วก็ย่อมมีผลดีให้ความสุขความเจริญทุกคนเราเชื่ออย่างนี้ไม่เชื่องงมายเชื่อโดยการตรวจรองพิจรารณาที่เขาพูดเขาชักชวนที่เขาอ้างีิเป็นไปเพื่อความสุกหรือเป็นไปเพื่อความเศราเา้าหมองบริสุทธิ์หรือไม่เราจะไม่เป็นคนหลง มีอคติเพราะความหลงรักหลงโกรธนั่นเองลงถือไม่ใช่สติปัญญาของเราเองอคติเพราะความกลัวเพราะความกลัวในตัวของเราบ้างจากภัยคางนอกบ้างแล้วเป็นเหตุให้ให้มีอคติให ประพฤติทุจริตตั้งอยู่ในธรรมไม่ได้ทุจริตด้วยกายด้วยวายจาและด้วยจิตใจเพราะความกลัวเพราะฉะนั้นอกติในธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าได้วางไว้ที่ทำให้จิตเกิดมีความลิบลำเอียงนั่นมีอยู่สีข้อด้วยกันคือฉันทากติลำเอียงเพราะรัก ท้อสากติลำเอียงเพราะโกรธมหากติลำเอียงเพราะหลงทยาคติลำเอียงเพราะกลวัวนี่ทาให้จิตของเราไม่เป็นทิศถุกจุ ก, กัดทำมาจิตของเราไม่ให้ตรงตั้งอยู่ในธรรมได้เพราะมี อย่างนี้อยู่ในจิตอย่างใดอย่างหนึ่งก็ทําให้จิตของเราไม่เที่ยงไม่ทรงตั้งอยู่ในธรรมอันนำพลั จ, จปรามีของเราให้เต็มสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ได้เพราะฉะนั้นพุทธเจ้าสร้างปรามีขันติปรามีก็ดีจะตลอดรอดฝังแล้วก็รังต้องเป็นผู้ไม่มีอกติ ขันติวิรยิยะสัจจอธิษฐานประเมตต า, าสินสมาธิปัญญาก็เก้าเป็นผู้ไม่มีอกติต้องการให้จิตตรงตามอริยามารรบไปด้วยองแบบนี่ตั้งอยู่ในหลักตรงเที่ยงต่อหนถากการประพฤติปฏิบัติกายจึงเป็นกายจึงเป็นกายสมากมันโต วาจาจึงเป็นสัมมาวาจาการเลี้ยงชีพจึงสามารถรักษาสัมมาอาชีวะได้ความเพียรพยายามจึงสามารถรักษาวายามะความเพียรชอบได้สติจึงสามารถใน ล, ลึกชอบในธรรมที่ชอบได้สมาธิจึงตั้งมั่นที่ชอบได้ เพราะเหตุใดเพราะมีความเห็นชอบเรียกอยทิตถุชุกกรรมมาจากความเห็นชอบนี่เองตั้งจิตให้ตรงต่อท ม, ต, อ ม, ต, อมต่อผลต่อมรรต่อผลต่อในผานเพราะความชอบความทิดตั้งจิตชอบคือมีความเห็นชอบมีความดำริชอบอนี่แหละถ้าผู้ใดสามารถตั้ง อบรมจิตให้มีความเห็นชอบมีความดำริชอบอแล้วอบรมกายให้มีการทำการงานชอบอบรมวาจาให้มีวาจาชอบอาการเลี้ยงชีวิตไทยชอบเพียรพยายามชอบตรอดถึงรลึกชอบตั้งมั่นชอบนี่เรียกว่าทิฏฐุ ก, กรรมทำจิตของตนให้ตรง ตรงต่อหลักธรรมเหล่านี้ครบถ้วนสมบูรณ์บริบวน์บูญแล้วนี่เป็นหนทางที่ก้าวหน้าไปตามรดับถ้ามาอย่างนั้นจะทำํำทุจริตผิดศีลธรรมตามเพศตามภูมิของตนไม่ตรงต่อพุทธบัญญัติที่พระองค์ทรงกัดพระองค์ห้ามไม่กลับไปทํอาอกติแล้วพระองค์ให้ทํากลับไม่ทํา นั่นไม่เห็นด้วยแก้ตัวไปอย่างอื่นนี่จิตอคติแล้วไม่ตรงแล้วคำว่าตรงนั้นต้องพระองค์วางหลักเกณฑ์ให้เราละเราก็เพียงพยายามละเพราะเชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ได้ตรัสรู้เล่นๆไม่ได้พูดเล่นพูดสิ่งใดแม่แต่เล็กน้อยว่ามีโทษก็ต้องมีโทษจิต พคงไม่จัดคำเพอ้อเจอ้อต้องกัดเป็นสัจจวัตรพุทธสิ่งใดที่เป็นคุณที่พระพุทธเจ้าสอนให้บําเพ็ญให้สำรวมให้ระวังให้รักษาก็ต้องมีคุณมีประโยชน์จริงๆถ้าไม่รักษามันก็ไม่เป็นการดำเนินก้าวหน้าข อ, ของการปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์ภายในวัฏสงสารเราต้องเชื่อพระองค์ ที่นี่มีผู้แก้ว่าในสมัยโน้นอย่างหนึ่งสมัยนี้อย่างหนึ่งอนนอนสมัยแต่ก่อนยังไม่เจริญเหมือนกับสมัยปัจจุบันไปสมัยปัจจุบันนี่เขามีความเจริญไปไหนก็ไปรถไปเรือไปไหนก็ต้องออาศัยเลยทนที่สุดก็เลยถือเอาสมัยเดี๋ยวนี้เป็นกฎเกณฑ์ในการตัดสินใจของเราเอง เหมือนกับพระพุทธเจ้าไม่มีอนาคตังเสยะถ้าเราเชื่อความตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วอยาวว่าแต่ปัญญาความผิดความถูกกิเลสในมนุษย์โลกอันหยากหยากนี้เลยแม้แต่กิเลสในเทวดาพระองค์ก็ยังรู้ว่าเทวดานะัตติข้องอยู่ในกิเลสอะไรพรอมติดข้องอยู่ในกิเลสอะไร รูปประพรมอรูปประพรมพระองค์ปราะศะรูปหมดไกลละเอียดขนาดไหนพระองค์รูปหมดเพราะฉะนั้นทำบัญญัติทำเวนัยของพระองค์ที่พูดเนี่ยไม่ใช่พระองค์พู ด, ด์เลยความรู้เท่าไม่ถึงกาท่านพระองค์รู้จักนิสัยของคนติสกิเลต ข, ของคนทุกทั่วโลกการาโลกรูปประโลกอรูปประโลก เพราะฉะนั้นเราจะอ้างว่าสมัยโน้นสมัยนี้พระองค์มีอตีตังสยานอนาคตังสยารู้หมดรู้ทั่วถึงประพุทธเจ้าในอดีตตลอดถึงพระพุทธเจ้าที่จะมาตรัสรู้ในอนาคตข้างหน้าและทมบัญญัติญญและเครื่องกัดสรู้ที่พระพุทธเจ้าในจะรู้ในอนาคตข้างหน้าพระองค์ก็รู้หมดจะเพียงกิเลสแค่นี้จะเพียงแต่ประมาณสองพันสมัยนี้ว่า คนเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้พระองค์ไม่รู้กิเลสของคนหรือจะเอามาอ้าง น, นี่เพราะอะไรเพราะอคติของตัวเองเพราะกลัวจะลำบากบ้างกลัวอย่างนอนบ้างไม่สามารถดาเนินตามธรรมในาคาสอนของพระพุทธเจ้าไดา้เพราะความหลงบ้างเพราะความตัวบ้างเพราะความชอบบ้างเพราะความไม่พอใจ ในบางอย่างข้อบัญญัติที่ตนไม่ชอบประยกเลิกลบล้างไปด้วยตนเองเพราะฉะนั้นสาวกในสุดท้ายภายหลังจึงแยกเป็นพักเป็นพวกจึงมีหลายนิกายหลายหมู่หลายคณะเพราะไม่จากอคตินี้เองไม่ใช่อื่นไกลเพราะอคติสี่อย่างเอามาผัวพันกับจิตใจของบุคคลผุนั้น ไม่ยอมรับความจริงที่พระพุทธเจ้าพาดำเนินตามประพุทธปฏิบัติตามให้สมบูรณ์บริบูรณ์ถูกต้องเพราะพระองค์สรบัญญัติว่าถ้าพูดใดใครก็ตามถ้าปฏิบัติทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์ในอริยมรรคประกรอบไปด้วยองแต8ประการแล้วใครก็ตามคณะไหนก็ตาม ศาสนาไหนก็ตามพย่อมพ้นจากทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นย่อมสำเร็จอริยมรรยะผลด้วยกันทั้งนั้นเพราะอริยมรรยประกอบไปด้วยองค์ ป, ประการนี้เป็นทางเดินของผู้ม่มีค่าศึกที่จะพ้นจากค่าศึกเพราะฉะนั้นเราทาั้งหลายนักปฏิบัติเราควรรับทราบเพื่อจะนำมาประกอบดูสองดูจิตใจของเรา ว่าจิตใจของเราในปัจจุบันนี้ตั้งอยู่ในอกติอะไรเราปล่อยวางสิ่เหล่าฉันทากติได้แล้วหรือโทสากติได้แล้วหรือโมหากติได้แล้วหรือหรือพยาคติได้แล้วหรือหรือได้บ้างไม่ได้บ้างหรือยังมากน้อยเท่าไรหรือมากน้อยเท่าไรละได้แล้วเท่าไรอันนี้หนะ่าเทของเราจะต้องสอดส่องดู ถ้ายังไม่อยู่รับใดแล้วจิตจะไม่สามารถจะดำเนินตามทางให้มั่นคงถูกตรงถูกต้องเพื่อยกระดับจิตให้สูงขึ้นตามระดับไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายสวดสอดสองทิจนาแล้วเราอยู่ในขท่ากลางไม่อยู่ในปกติเหล่านั้นเราอยู่ในธรรม พระพุทธเจ้าสอนอย่างไรเราก็ทําอย่างนั้นพระองค์สอนให้สงบให้ภาวนารับตัภาวนาตามที่พระองค์สอนจิตก็ค่อยอ่อนลงไปจิตก็น้อมเข้าไปสู่พุทโธจิตก็น้อมเข้าไปสู่ธรรมโมฝวางจิตก็ค่อยอ่อนลงไปจิตก็น้อมเข้าไปสู่พุทโธจิตก็น้อมเข้าไปสู่ธรรมโม พุโทโธกับธรรโมมันแยกกันไม่ออกนะเมื่อพระองค์ดับขันเข้าสู่ปรินริพานแล้วก็มารวมอยู่ในธรรมโมเพราะมันเป็นเพียงอารมณ์เท่านั้นเองในทางใจจะได้เกิดเห็นปรากฏทางตาเหมือนพระองค์ยังมีชีวิตอยู่จะไม่ได้ปรากฏได้ก็ปรากฏทางใจถึงใดที่ท่านมาทางใจล้วนเป็นธรรมอารมณ์ทั้งนั้นเพราะฉะนั้น พุทโธกับธรรมโมจึงไม่ต่างกันเป็นอันเดียวกันเะลึกพุทโธพุทโธก็แปลว่าเราลึกธรรมโมธรรมโมในส่วนสังโฆนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับพุทโธธรรมโมสังโฆเพราะหมายถึงคุณสมบัติสุขปฏิบัตโนปฏิบัติดีถ้าจิตของเราลึกพุทโธพุทโธด้วยดีมีความสงบด้วยดีสังโฆก็ยังตรงนั้นอีกเพราะฉะนั้นที่พึ่งทั้งสามอย่างนี่นะ แต่ยู่ในที่เราบริกรรมด้วยดีพุทธโอพุทธโอคอยรวมอย่าให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาขัดขวางก็ย่อมสงบตั้งมั่นแนว่วแนว่องสายสะอาดไดเ้เมื่อจิตมันตั้งหลักฐานมั่นคงแล้วเราจะยึบยกให้เกิดปัญญารู้แจ้งใจตลอดในขันห้าในรูปในเวทนาสัญญาสังขารที่พระพุทธเจ้ า, าเป็นภาระอันหนักเลก แต่ขันทั้งหลายทุกจริงๆันี่ยเราก็จะได้กําหนดรู้ทุกตามความเป็นจริงในขันห้าตามความเป็นจริงเนี่ยที่เรารับไม่ได้เพราะจิตใจของเราภูมิยังไม่กําลังยังไม่เพียงพอรับผูก้ก็จะได้ความสุขความเจรจากนี้ไปภาวนาต่อสมควรเป็นเวลาและจึดุดเริ่มกับ